เขาบอกว่าปริเทวามีการพิราบรำพันเป็นลักษณะมีการรำพันถึงคุณและโทษเป็นกิจสมมติว่าคนที่ตายไปเนี่ยน ะ, ะมีอุปการะคุณต่อเรามากใช่ไหมเช่นพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยเราก็นึกเธอพูดถึงแต่ความดีของเขาอะ่ะเขาดีเหลือเกินเขามีคุณกับเรามากไม่น่าเล ย, ยาง น, นนะก็คือพูดถึงแต่ความดีแต่พูดเพื่ออะไร พูดให้ตัวเองโทรมนัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงโทษก็คือความเสียหายที่ตัวเองจะได้รับนะเราจะนี่จะอยู่กับใครใครจะมาดูแลเราอ่ะนะบางคนเนี่ยที่ร้องไห้เนี่ยเพราะคือเ้ใครจะมาดูแลเราเนี่ยถ้าเขาตายไปแล้วยังไงนะเสียใจยเพราะไม่ขาดคนดูแลเ็บอกว่าอาการที่ปรากฏคือคือความวุ่นวายไม่ตั้งมั่นเป็นอาการปรากฏเนี่ยมันวุ่นวายอยู่นั่นแหละคว่าโทสะเนี่ยนะมันเป็น มหาพูดที่เกิดแต่โทสะจิตเป็นประทัฐานก็คือเป็นความค่ําครวนี่นะไอข้ามครัวตัวนี้มันออกมาทางอะไรสีหน้าท่าทางแววตาคําพูดก็เป็นมหาพูดอะที่มีโทสะเป็นสมุธฐานเปล่งออกมาพูดพร่ำอยู่นั่นแหละอันหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในข้อว่าพึงทราบอัตตาแห่งปริเทวะเป็นทุกต่อไปปริเทวะนี้แม้ตัวเองไม่เป็นทุก เพราะเป็นรูปประคันใช่ไหมไออาการคร่ำครวญทางร่างกายนะถ้ามองในส่วนรูปตัวของรูปไม่เป็นทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์กายและโทมนัสคือทุกข์ใจจริงอยู่บุคคลผู้กําลังคร่ำครวญย่อมเอากําปั้นทุบลําตัวของตนก็ได้ย่อมเอามือทั้งสองเนี่ยตีอกขยี้อกย่อมเอาหัวเนี่ยชนฝาก็ได้เพราะเหตุนั้นทุกข์กายอย่างแรงจึงเกิดขึ้นแก่เขาได้ เขาย่อมคิดเป็นต้นว่ า, าญาติของเราเท่านี้สิ้นแล้วเสื่อมแล้วตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโทมนัสอย่างแรงจึงเกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยนะก็พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นึกถึงความสูญเสียนะถ้าได้ของอะไรแล้วมาโทมนัสเสียใจไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็เพราะความสูญเสียวยิปรโยคแต่อย่าลืมว่าโลกนี้นะโลกกระทำโลกกระทก็เป็นของคู่กันใช่ไหมตอนที่ได้ก็ดีใจเต็มที่เลยแหละตอนเสียไปละ่ะ ก็ทุกเต็มที่นั่นแหละนนะบุคคลผู้ถูกลูกสอนคือความโศกเสียดแทงก็ย่อมคร่าครวญย่อมประสบทุกซึ่งทนไม่ได้อันเกิดแต่แห้งที่คอคอนี่แห้งเลยใช่หมริมฝีปากเนี่ยก็แห้งอย่างมือนกันเพดานนี่ก็แห้งกลืนน้ำลายแทบไม่ลงเลยนะตอนไหนที่เราโศกเลยนะตอนนั้นกลืนน้าลายไม่ค่อยจะลงเลยนะข้าวน้าก็ไม่อยาก เขาบอกว่าใครที่มีญาติเสียชีวิตนะั้นไม่ค่อยอยากทานอะไรเลยอะไรก็จะทานไม่ลงไม่ค่อยทานอะไรเลยมีคนญาติที่เสียชีวิตแล้วกินข้าวอร่อยเด็ดอย่างอร่อยอร่อยนี่มีน้อยมากเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็กลืนอะไรก็ไม่ค่อยจะลงเว้นแต่คู่เวนตายเนี่ยนะโอ้ฉลองอันใหญ่โตเลยนะ อ, อตายเท่าไหร่ก็ดีอย่างไงนะก็ถ้าคู่เวนเนี่ยเนะี่ยอาหารเจริญมากเลยนะแต่ถ้าเป็นคนที่เราพอใจมากเนี่ยถ้าเสียไปจากไปเนี่ยก็เสียใจอยู่นั่นแหละ ความทุกข์อันนั้นแหละพระองค์ตรัสว่าปริเทวะควา ม, มคร่ำครวญว่าเป็นทุกข์แลของใครไม่เคยบ้างาคร่ำครวญไงมันเสียงพร่ำอ่ะเสียงพร่ำคืออะไรสีหน้าท่าทางก็เป็นรูปแต่ว่ามีโทสะเป็นสมุทฐานเนี่ยนะก็เป็นเป็ น, ปนมหาพูดอ่ะไม่ใช่เวทนาก็เป็นโทมนัเนี่ย โทมนัสก็เป็นเวทนาโศกก็เป็นเทวนาอิตัวโศกนะเป็นเวทนาขันแ ต, แต่แต่ปริเทวะเป็นเป็นรูปนะเพราะเป็นเสียงที่พร่ำแต่ว่ามีโทคือพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในการแสดงธรรมเนี่ยนะเมื่อพระองค์ฉลาดในการแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็สามารถที่จะหยิบเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมามาแสดงว่าเป็นเป็นทุกข์ได้ ถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยนะอันนี้ก็ทุกกายขึ้นมาก่อนนะบางอย่างเนี่ยทุกกายทุกกายเป็นปัจจัยต่อทุกใจทุกใจเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของจิตตชรูปจิตตชรูปประเภทนี้เรียกว่าอะไรหรือหรือพวกโสก ะ, ะปริเทวะนะ mm hmm. พวกนี้ขรั่ม น, นะพวกพวกนี้ครั่มครวน ปริเทวะคือความคร่ําครวญโดยที่บางคนเนี่ยมีความทุกข์ทางกายแล้วก็มาทุกข์ทางใจแล้วก็คร่ําครวญเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่อย่างใดอย่างหนึ่งะนะหรือคนอื่นเขาตีเขาแทงมาถูกเขาตบเขาตีมาเป็นต้นนี่ก็ทุกข์กายก่อนใช่ไหมเสียใจพอเสียใจเสร็จก็พร่ำพูดอยู่นั่นแหละนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องวิปโยตุก์ วิปโยคอย่างใดอย่างหนึ่งทา่ทาทักก็มาเกิดความทุกข์ใจพอมาทุกข์ใจก็มาคร่ําครวนอย่างอย่างพวกวิปโยคทุกข์ก็คือเช่นเรื่องตายเนี่ยนะย่าตายเป็นต้นพวกนี้ก็พอญ้าตายเป็นต้นเสียทุกข์ใจใช่ไหมพอทุกข์ใจก็ผู้ที่ทุกข์ก็เป็นยังไงก็แสดงอาการของรูปคือการคร่ําครวนพิไรรำพันบนเพออยู่นั่นแหละ อนไอคลามคร่ําครวญตัวนี้เนี่ยจึงพูดไปที่รูปอย่างเดียวนะมหาพูดเป็นรูปแต่ก็พูดรูปก็เท่ากับพูดจิตนั่นแหละก็คือสามารถหยิบเอามาในส่วนใดามาแสดงก็ได้ให้เห็นความเป็นทุกข์ของของอุปาทานขันห่าว่าอุปาทานขันห่ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องอมหาพูดทั้งหลายเนี่ยนะมีมหาพูดตัวใดบ้างที่สัตว์ไม่โสกเพราะเนี่ยะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกนี้เราไม่พูดถึงเรานะี่ยสำหรับสรรพัพพสัตวทั้งหลายเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะของสัตว์ไม่มีมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งปริเทวะนะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนหะในเหตุการณ์นั้นสัตว์ก็ยังปริเทวะอยู่ดีฝนตกก็ตามแดดออกก็ตามน้ําไหลก็ตามน้ํานิ่งก็ตามสัตว์ปริเทวะได้หมดเลย แต่ว่าใครนะอีกเรื่องหนึ่งละ่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เรียกว่าอุปาทานขนาันธ์หน้าหรือรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะจริงๆคนไข้ปวดฟันนี้บนมีมากไหมคุณหมอไม่ค่อยมีนะปวดฟันพูดไม่ค่อยออก๋ อ, อไปถึงหมอเขาต้องอ้า ป, ปากใช่ไหม <c oughs> ก็เลยบ่นไม่ได้ เนี่ยมาดูโทมนัตบ้างอนะทุกขะโทมนัตทุกก็คืออ่าเขาบอกว่าไม่มีอัาธะอัาธาก็คือความตรงนี้ก็แปลว่าหวานใจเขาบอกว่าอัศธาคืออะไรคือหวานใจเลยแหละเพราะงั้นถ้าไม่อัาธะอันนัก็คือไม่หวานใจเขาบอกไม่ชื่นใจก็คือไม่หวานใจอนะไม่อร่อยเลยเนี่ยนะก็ก็ถ้าเปรียบแบบอาหารก็คืออาหารอร่อยกับไม่อร่อยนะ เรียกว่าถ้าอหารอาหารอร่อยลักษณะนั้นมันอาสาท่าละถ้าไม่อร่อยนั่นแหละเรียกว่าไม่ไม่อัสาท่นี่ก็เหมือนกันไปรับอารมณ์ทั้งหลายที่มันไม่น่าชื่นใจเลยนะก็เช่นแดดร้อนปเปรี้ยงไม่ชื่นใจเลยใช่ไหมไม่ชื่นใจเลยนะป่วยกระสอบ ก, กระแสนีก็ชื่นใจอันนี้ก็ไม่มีอีกนั้นคําว่าความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจนี่เรียกว่าอานัตสาทะคือไม่มีอาสาท่ในตอนนั้นนะในขณะนั้นนี่ไม่มีอัาศะท่เลยนะ คำว่าทุกข์ที่เกิดแต่กายสัมผัสคือทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสทางกายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นอนไม่หลับเป็นหวัดเนี่ยนะตอนที่ปวดกระดูกเป็นยังไงมีหลายท่านนะั้นในห้องเราเนี่ยเป็นกระดูกโรคอันนี้ดูท่ามันจะโลเหมือนกันนะเป็นกันหลายคนเป็นโละโละเลยนะที่เป็นโรค ก, กระดูกไงเลยมันก่อนโยมก็บอกว่านี่นะมันปวดบ่ามันร้าวไปหมดเลยท่านอาจารย์ก็ว่างกัน บอกนี้ก็นี้กําลังกินยาอยู่ควาเขาแสดงว่าโอ้โหเป็นเอามากอะนะแต่ก็เอยังมาฟังทำได้ น, นี่ก็เก่งละแต่ว่าแต่ละคนนี่เขาก็เป็นเนี่ยนะก็โรคกระดูกนี่เป็นกันหลายเจ้ามากเลยแหมเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายนี่สิลําบากมากเลยนะไม่รู้จะไปบีบนวดได้ยังไงโยงมาบอกว่าเจ็บกระดูกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจ็บเมื่อยที่ที่กล้ามเนื้อเขายังช่วยใช่ไหมยังพอบีบนวดได้เนี่ยนะปวดกระดูกนี่เป็นนวดตรงไหน ไปทายาอะไรเนี่ยนะนี่คือความความทุกข์ทางกายเนี่ยนะแค่ปวดฟันนี่ก็นั่งครึ่งคลืงข้างลา่างข้างนอกได้หน่อยหน่อยนะคันกระดูกที่ทรมานเกาไม่ได้ครั <laughs> มีสูตรใหม่นะเ <laughs> <laughs> ขาไม่เรียกทุกปวดกระดูกก็ไม่เรียกเนระียกคันกระดูกเลยนะ <c oughs> เอาเอา๋อ <c oughs> น, นี่กระดูกระมือกาวก็กาไม่ถึงมาละมานหมอพยาบาลงงเลยนะคือโรคอะไรกันแ น, น่ที น, น, น, น, น, นี้ต่อไปว่าคำว่าเวทนาที่ไม่น่าชื่นใจคือเวทนาที่ไม่น่าชอบใจนนะก็คือความทุกข์ทั้งหลายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเนี่ยนะพวกเจ็บปวดทั้งหลายแหละเนี่ยอย่าง โยมคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคไตเนี่ยนะเขาเขาจะไปผ่าไตเนี่ยโอ้ยเขาก็เล่าให้ฟังอ่นนนะนะแต่เราก็นั่งฟังนเนี่ยเผ่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่ามันจะดีไหมมันจะอยู่ได้กี่วันมันจะหายอะไรเนี่ยแต่ก็พูดไปเราก็ฟังไปโยมที่เคยขับรถให้อ่ะนะตอนก่อนที่เขาจะผ่าไตผ่าไตเนี่ยเราก็ฟังไปข้างหนึ่งเสร็จแล้วอ้าวผ่าข้างที่สองอีกก็เลยได้ผ่าสองข้างเลยเรียบร้อยไปแล้วสองข้างนั่นเน ก็กลับมาทํางานต่อว่างั้อ น, <Yeah. S 1> นั่นนะ <Yeah. S 1> ก็เป็นนิ้วไงเป็นนิ้วที่ตายนิ้วไปเป็นนิ้วสองข้างสองข้างหมอก็อผาไอ้ข้างที่เป็นไม่มากก่อนก็ผ่าข้างที่เป็นไม่มากทิ้งไว้ห้าหกเดือนก็ผาอีกข้างหนึ่งนั่นไนะตอนนี้ก็ผ่าทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนนะก็เหมือนไงนะผ่ามะม่วงเอาเม็ดออกอนะเนีเหมือนผ่ามะม่วงมะม่วงเอาเม็ดออกเลยแนะ <laughs> หามามมมออละ ะก็เดินกเวว็เสียววาบเสนะียววาบมัอนนะวันที่เขาเอาของไปขึ้นไปถวายวันที่ผู้การเข้าไปวันนั้นนะ่ะวันนั้นเขาก็โผล่ก็เพลคขึ้นไปนั่นน่ะเป็นตายอยู่นะตอนนั้นเขาพามใหม่ให ม, ม, นะม่เลน่ววอทุกขะก่อนอ ค, คือสองเรื่องเลยนะ่ะทุกกายก่อนก็บอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่เขาเป็นตายมาเนี่ยเมียก็ไม่ค่อยสนใจเลยเขาบอกงั้น เขาก็ป่วยกายเสร็จก็ป่วยใจอีกเมียก็ไปเล่นแต่ไพ่แบบนั้นเขาก็ทุกข์มากนี่ผมต้องทํากับข้าวกินเองนะอาจารย์จะว่ายังไงก็ว่างั้น <laughs> มันจะไปว่ายังไง <laughs> ทีตอนนั้นอ่ะตอนที่ยังไม่ได้กันนี่ก็แหมจะเป็นจะตายให้ได้เลยนะได้กันยังไงนะมันไม่ไหวจริงๆเลยนะครับเนี่ยมันเล่นการพนันเนี่ยมันเล่นไพ่เนี่ยนะบางทีมันไปเล่นดึกเดินเที่ยงคืนมีงานศพก็ไปเล่นอยู่ทั้งคืนว่างั้น นี่นะมันยังไม่เท่านั้นมันยังชวนลูกสาวคนนั้นหน่อลูกสาวคนเดียวมันก็เล่นเป็นอีกนะมันเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยาาว่าไอง อ, าอ๋อแต่เขานี่เลิกจริงๆอนะเนี่ยบอกผมเนี่ยนะเขาให้เลิกเล่าผมก็เลิกให้อดยาผมก็อดเนี่ยผมอดทั้งเล่าทั้งยานะแต่ว่าเนี่ยเล่นแทนหมดอันนี้ก็คยเขาทุกข์มากเขาทุกข์จริงๆเลยนะ พวกการไปวังอไรแล้วก็เมียเขาโวยวายเรียกจักกุติลงมาด่ากันต่อเลยนะด่ากันข้างล่างโอ๊ยพระยังได้ยินอีกนะนะกรรมของพระจริงๆเลยก <c ười> ็คือคือเรื่องของเรื่องก็ต้นเหตุใหญ่ๆก็คือเขาเขาผ่าไตาใช่ไหมเขาก็อยู่บ้า น, นก็เหงาก็เครียดอ่ะนะเมียเขาไปเล่นการพนันเขาก็เลยเดือดเลยแค่นี้แต่ปกตินะเมียชนะหมดทั้งปี มาดูพวกที่เสียใจนะว่าโทมนัสสัมปยุตเนี่ย น, น, นะเจตสิกนะคือความทุกข์โทมนัสที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะโทมนัสอันนั้นเรียกว่าทุกข์ใจเนี่ยนะเรียกว่าโทมนัสทางใจบอกว่าทุกและโทมนัสนั้นท่านในคัมภีร์นี้ท่านบอกว่าเคยอธิบายไว้ในคัมภีร์ก่อนแล้วเพราะว่าอัตถะฐานี้ดึงมาจากคัมภีร์วิพัง์ ส่วนทุกขเวทนานั้นมีการเสวยผลทพัชที่ไม่ดีเป็นลักษณะเจอปฐวีผลธพารลมที่ไม่ดีเตโชผลธพารลมและวายโอผลทพารลมที่ไม่ดีเนี่ยนะพวกนี้เช่นอึดอัดจุกเสียดเป็นต้นเนี่ยนะผมมาเคยมีวันหนึ่งอุ้ยท้องอืดทั้งคืนเนยนะอุ้ยท้องท้ามันเอ้ยทำไมมันไม่เลิกไม่เลิกอืดสักทีไว้ปกติมันก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยนะอืดอยู่นานมากเลยนะ ท, ที่วันหลังมาก็ที่ไปเออนะเมื่อสักเมื่อสิบกันยายนปีที่แล้วนะเก้าสิบกันยายนปีที่แล้วนะแถวๆนั้นนะที่จำได้ก็เพราะว่าพอตอนที่ไปหาหมอมันก็ระเบิดตึกกันนั้นพอดีก็เลยจำได้ <c oughs> แตแถวแปดเก้าสิบกันยาปีที่แล้วเนะี่ยเป็นเอามากเลยนะปวดท้องท้องอืดมากเลยเอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีแก้ยังไงก็ไม่หาย เมื่อก่อนมันเป็นแป๊บเดียวมันก็หายไปนั่นก็ไม่ยอมหายตอนหลังก็ไปตรวจว่าเอาแผลในแค่เรียกว่าลำไส้ลำไส้เล็กส่วนต้นมันเป็นแผลหมอก็ยังบอกนี่แผลเก่านะท่านเขาบอกงั้นเมื่อรู้หมอรู้ได้ยังไงว่าเป็นแผลเ ก, ก่าเขาบอกงั้น <c oughs> <c oughs> บอกว่าโพธภาพที่ไม่ดีเป็นลักษณะนะโพธภาพก็อย่างว่านะถ้าเตโชโพธพาลมก็ถามคุณหมอยุพิน เตโชผดทะพารมมไหมร้อนไหมเรียกว่าพวกปวดแสบปวดร้อนทั้งหลายแหละเนี่ยนะพวกนี้เป็นเตโชผดทะพารลมหายบ้างไหมเอยังไม่หายสักทีเลยเหอยเรออ๋อมาปวดเป็นพักๆกันน ะ, ะ พ, นะพวกนี้เป็นร้อนเหมือนแผลไฟไหมใช่ไหมพวกนี้เป็นแสบร้อนปวดร้อนนลยแหละล อ, อ, องลงลึกด้วยนะความรู้สึกว่ามันลงลึกด้วยเนะงนั้น ทุกขกายยะวิญญาณเกิดเขาไม่เจ็บเลยหาแล้วเสรินประสาเสียเลยนะเป็นที่เรียกว่าเป็นอะไรนะโรคเริมเหมือนไงูสวัสด์เนี่ยนะงูสวัสด์นี่ก็อบางคนนี่ก็เป็นเป็นกันมากอนะเป็นแล้วก็ไอ้งูสวัสด์บางของบางเจ้าที่มันติดเชื้อเนี่ยมันไหลไปตรงไหนเนี่ยนะมันก็เป็นแผลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ปวด ก็ก็ถ้ารักถ้ามีหมอรักษามหมอก็ก็ดีไปนะแต่พวกถึงคนไข้ที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะดีไม่ดีไปเข้าใจผิดเป็นโรคอันอื่นดีกันนะก็กลายเป็นหาเชื้อไปเพิ่มให้อีกก็เลยไปกันใหญ่เลยเขาบอกมีความอาพาธทางกายเป็นอาการปรากฏนะนะมีกายภาษาธาเป็นเหตุใกล้ก็คือกายภาษาธามันเสียหายหรือ ที่มันเจ็บปวดในทวารกายเนื่องจากว่ามหาพูดกระทบกับปภาษาธรูปคืออุปาทายารูปถ้าทวารอื่นๆนะทวารตาเนี่ยอุปาทายารูปกับอุปาทายารูปนะทวารหูก็อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปทวารจมูกก็อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปทวารลิ้นอุปาทายรูปกับอุปาทายรูปแต่ทวารกายเนี่ยมหาพูดกับอุปาทายรูปฉะนั้นก็บอกมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาค้อนนี่ทุบสัมี อุปาทายรูปเหมือนกับสัมฤทธินะมหาพูดเหมือนกับคอ น, น่ะมันเวลาทุบไปเนี่ยนะก็มันเจ็บปวดอย่างนั้นแหละมันโพธภาเนี่ยถ้าถ้ารับผกระทบที่ไม่ไม่ดีพอเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดก็ทุกข์จริงจเลยกายยะภาษาธาเป็นเหตุใกล้หลแห่งความเจ็บปวดความความทุกข์ทั้งหลายโดยเฉพาะทุกทางกายนะอย่างปวดกระดูกก็เนื่องจากกระดูกมีกายยะภาษาธาตนั่นแหละจึงปวด ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้นเนี่ยนะ ท, ที่ปวดปวดแถวแถวไหนก็เนื่องจากตรงนั้นมีกายภาษาธากายภาษาธาเป็นเหตุใกล้แห่งความเจ็บปวดสารพัดเพราะเป็นวัตถุ ข, ของกายวิญญาณไอตัวทุกข์จริงๆเนี่ยคือทุกขากายวิญญาณแต่ทุกขากายวิญญาณเกิดโดยที่ปราศจากโพธารมไม่ได้นนะก็คืออาศัยกายกับโพธภาเกิดกายวิญญาณ ใครที่ปวดหัวตัวร้อนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะลองสาธยายฉฉักกระสูตรเลยก็ได้นะลองสาธยายดูก็จะทําให้เข้าใจอะไรขึ้นอีกมากอาศัยกายกับโพธภาภะเกิดกายวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างตรงนั้นน่ยนะถ้ารับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขเวทนาไปถ้าโพธภาภรม์ที่ไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนาไปเอ่า ในการเช่นคันหรืออะไรก็ตามนะลองฝึกษาธยายสูตรนี้เอาไว้เนี่ยนะจะทําให้เข้าใจอะไรขึ้นมากหรือปวดหัวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ปวดเข่าก็สาธยายในอาศัยกายกับโพธาภาเกิดกายาวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาหรือเอาแบบโลการนินโรทสูตรต่อเลยก็ได้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบ พระพุทธเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขทโทมานัตและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะดันั้นการกระทบแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งการทํากรรมจริงๆงนะยุ่งกัดเรานะยุ่งกัดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวิมจิกรรมมโนกรรมต่อไป อย่างเพราะยุงกัดนี่แหละเป็นที่มาของการคิดโครงสร้างมุ้งลวดขึ้นมาใช่คนที่คิดเรื่องมุ้งลวดเจ้าแรกก็คือเพราะยุงกัดนั่นแหละคนที่ซื้ อ, อมุ้งลวดเป็นต้นมาติดที่บ้านก็เพราะยุงกัดเพราะฉะนั้นยุงเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยแห่งกายกรรมวจีกรรมีดมอกอัะนนะไอ้โพธาภะตัวนั้นอนะันนะหลายๆเรื่องเนี่ยนะเพราะกายะกายะสัมผัสเนี่ยนะเพราะอาศัยกายกับโพธาภะเกิดทุกขกายะวิญญาณขึ้นเนี่ย ทุกขากาญญาวิญญาณเนี่ยเป็นที่มาแห่งยาสารพัดโดยมากนะมีทุกขากายญวิญญาณเป็นเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะเป็นเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยให้คนคิดวิธีการต่างๆแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ยวยดยานภาหนะทั้งหลายเนี่ยก็มีทุกขากายญวิญญาณนั่นแหละเป็นเป็นปัใจจัยให้คิดสแสวงหาไอ้เครื่องอํานวยความสะดวกแม้กระทั่งผ้าหนาผ้าหยาบนัมีทุกขากายญวิญญาณนี่แหละเป็น เป็นตัวชี้เพราะว่าการใช้ของของชายนะพวกเสื้อผ้าอภรรท์ทั้งหลายแหละที่ใช้ก็คือต้องการลดทุกขากายยะวิญญาณออกไปะฉะนั้นตอนที่มันหนาวจริงๆเนี่ยนะใช้ผ้าแบบไหนที่ทุกขากายยะวิญญาณไม่เกิดก็ที่มาของการหาผ้ายังไงที่มันเนื้อหนาแน่นให้มันอุ่นนะนะถ้าตอนที่มันร้อนทุกขากายยะวิญญาณเกิดก็คิดหาผ้าแบบไหนที่มันเย็นสบายก็คือเพื่อบรเทาทุกนั่นเอง มันพวกปัจจัยสีที่สแสวงหากันส่วนใหญ่ก็เพื่อบรรเทาทุกข์กายและทุกข์ใจนั่นนะส่วนความทุกข์ใจเนี่ยนะมีการเสวยอารมณ์อันไม่น่าชอบใจเป็นลักษณะอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทางใจสภาวะของเขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าคนนั้นคิดว่าไม่น่าชอบใจเนี่ยนะ อันนั้นแหละทุกขากาญะวิญญาเออขอไปโทมนัตก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสภาวะ อ, อ่สภาวะอนิถารมอย่างหนึ่งกับปริกัปปะอนิถารมอย่างหนึ่ง อนะอณิถารมนะามาจากคำว่าอิทฐาคือว่าอิทฐารมเนี่ยนะถ้าถ้าอิทธาเนี่ยหรือมาจากคาว่าอิทธะบวกอารมณ์เนี่ยนะอิทฐาแปลว่าหน้าปราถนาเช่นหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ภาใจให้กาหนัดอ่านะพวกนั้นเป็นลักษณะของอิทฐาอิทธากันตาก็เลยแปลงเป็นการตาอย่างเงี้ย กันตาก็แปลว่าหน้าปราถนานะห น, น้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัลนะคราวว่าณณนะนะอิทธาคราวว่าณอิทธอานิธนาก็ก็เลยถ้าณนํานหน้าเนี่ยก็จะเอาอ่างไปพลิกกลับไปกลับมาครัารณณอิทธาเรียกว่าอานิธาก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะ ไม่น่าปรารถนาะอันนี้แบ่งออกเป็นสองคือโดยสภาว ะ, ะคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเลยเช่นเกี่ยวกับเรื่องตายอย่างเงี้ยตายนี้ก็เป็นสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาะโดยธรรมชาติของมันใช่ไหมหรือความ อ, อ, อะไรความเสียหายสูญเสียถ้าเสียนี่ภาษาอีสานนี่แปลว่าเสียหายจริงๆเลยนะเช่นเสียงเงินเสียทองอันนี้ก็คือมันมันเสียหายแต่ทําลายไปก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ ไม่น่าปรารถนาส่วนปริกัปปะอันนี้ก็คือมันไม่น่าปรารถนาในความคิดของเขาอะ่ะไม่น่าปรารถนาในความคิดของเขาจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่าปรารถนาแต่เขาไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบแบบนั้นเช่นนะสมมุตนะิวกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยธรรมชาติของเขานี่เป็นสภาวะที่น่าปรารถนาใช่ แต่บางคนมันแพ้กลิ่นชนิดนั้นขึ้นมาอะไรเกิดขึ้น น, นะก็เลยกลายเป็นโทสะขึ้นมาแทนเนี่ยนะเพราะนั้นก็พวกโทมนัสเนี่ยเสียใจเนี่ยนะโทมนัสนี้มีการเสวยอนิถารงเปลักษณะเพราะแม้กระทั่งอาหารอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยก็ตามถ้าเป็นอาหารชนิดที่เขาไม่ชอบอะอย่างดีเลยนะใครก็อร่อยเยี่ยมหมดแต่เจ้านี้ไม่ชอบแค่อย่างเดียวเนี่ย อาหารชนิดนั้นเรียกว่าปริกับปะอเิธอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเฉพาะเป็นเป็นรายคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่คนส่วนมากชอบไม่ได้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความชอบกับกับทุกคนอะไรเป็นปริกับปะนะ ส่วนมีความอาพาธทางใจเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะใจเนี่ยป่วยเลยนะความป่วยทางใจเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีหัตยวัตถุเป็นเหตุใกล้นะว่ามันสะเทือนใจมากนะโทมานัตมากอั น, นึ่งเพึ่งทราบวินิจฉัยในข้อนี้ว่าเพื่งทราบอัถาแห่งทุกว่าเป็นทุกและเพึ่งทราบอัถาแห่งโทมนัตว่าเป็นทุกต่อไป ทุกและโทมนัตแม้ทั้งสองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกขเพราะตัวเองเป็นทุกขด้วยเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกกายและทุกทางจิตด้วยตัวเขาเองก็ไม่น่าดีไม่น่าปรารถนาะใช่ไหมแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างถ้าว่ารวมๆนะสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเรากลัวทุกกับโทมนัตนี่แหละที่เราทําอะไรอะไรกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ว่าจะศึกษาธรรมะทำมาหากินอะไรทั้งหลายแหละ ก็กลัวทุกข์กับกลัวโทมนัสนั่นเองอนนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสแสวงหาปัจจัย4ี่คือกลัวทุกข์กายยะวิญญาณการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องทางสังคมบางอย่างก็เพื่อละโทมนัสทางใจแต่ถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่กลัวทุกข์ทั้งหมดเลยที่ไม่ต้องการทุกข์นั่นเองแม้กระทั่งบุคคลที่ฆ่าคนอื่นนี <c oughs> ก็เพราะตัวเองกลัวทุกข์นั่นแหละจึงยอมฆ่าคนอื่นเนี่ยนะถึงกับฆ่าคนอื่นก็เพราะตัวเองนั้นกลัวทุกข์ มันพฤติกรรมของสัตว์โลกทั้งมวลเนี่ยนะล้วนแต่กลัวทุกข์โดยที่สุดแม้แต่พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเนื่องจากเห็นโทษของทุกข์นี่ยแหละจึงมาศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แต่ทีนี้ว่าความคิดที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยก็มีอยู่หลายสูตรด้วยกันนะนะหลายสูตรแม้ว่าหลายทฤษฎีนะก็แต่ละคนก็จะคิดว่าเออนี่วิธีของฉันเนี่ยทำให้ดับทุกข์ได้ พระพุเจ้าก็เสนอวิธีเหมือนกันก็คือมักมีองค์แดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกวิชาการในโลกก็เป็นวิชาแก้ทุกนั่นแหละแต่ว่าแก้แก้จริงหรือเปล่ามัอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทุกคนที่ที่เสนอทางเลือกทั้งหลายแหลสารพัดทุกเรื่องก็เพื่อบําบัดทุกขนั่นแหละจริงอยู่เมื่อบุคคลประสบทุกข์โดยทุกขคือการถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกซึ่งนอน วางกระเบื้องเก่าไว้ข้างหน้าขอทาน น, นะนขออาหารในศาลาของคนอนาถาเมื่อมีหมูนอนออกนอกจากแผลทั้งหลายเรียกว่าออกจากแผลทุกกายหรือกำลังย่อมเกิดขึ้นแบบโบราณนี่เห็นชัดเลยนะถ้าถ้าเป็นสมัยเด็กๆมาเคยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกระเบือเนี่ยนะเลี้ยงกระไบเนี่ยกระกระบือก็มาจากกระไบก็เลยเรียกกระบือควายพวนี้ถ้าเป็นมันมันจะขิดกันเอง มันขีดกันเองเสร็จแล้วนะหรือมันไปถลอกอะไรสักอย่างไข่มแมลงวันมันจะไปไข่วางวางไข่พอวางไข่ตอนหลังมันก็ชอนชอนแล้วมันก็เป็นรูโบเข้าไปเลยนะรูนี่ลึกแทบจะล่วงกําปั้นเข้าไปได้านานะน่ะนอนก็ไหลเยิ้มตกลงมาที่เดินตามนะี่หลอ น, นี่หล่นแผลแผลแผลอย่างนั้นแนหะอันนี้แต่ว่าอันนี้ที่ที่เห็นในเดราชานเนี่ยนะแต่ที่ในมนุษย์นี่ก็ยังไม่เห็นแต่คุณบุญชูเคยเห็นมาแล้วนะหนอนนอนมันพลุบลงไปเลยนะ อันนั้นเป็นแผลแล้วก็นอนมันเข้าจริงๆอันนั้นก็บรษยุจริงๆอ่ะนะคุณบรชูเขาเห็นอยู่ก็มี ม, ม, มีใช่มีมเพื่นพวกแผลทั้งหลายออกจากเนะจากจะนอนออกจากแผลเนี่ยนะก็ทุกข์อะไร โทมนัะรุนแรงย่อมเกิดขึ้นเพราะเห็นหมู่มหาชนผู้มีเสื้อผ้าย้อมด้วยสีต่างๆประดับได้ตามชอบใจเล่นงานนักษัตริย์จิ๋วคือถ้าถ้าคิดดูนะถ้าเราอยู่ในฐานะขอทานที่มันอดอยากหิวห้ยแผลเต็มตัวไปหมดในเทศกาลการท่องเที่ยวเนี่ยนะถามว่าเจ้าของไข่เนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนไอ้คนคนนั้นนะยากจนอนาถาเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยเห็นคนอื่นเขาสวยงามเขาเที่ยวกันอย่างสบายใจเนี่ยนะ ให้เราทั้งป่วยด้วยหิวด้วยทุกข์ด้วยทรมานด้วยอายเขาก็อายเขาด้วยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินนะเชื่อไหมว่าวัตตะอันยาวไกลเราก็เคยทุกข์อย่างนั้นมาแล้วถ้าไม่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะนิโรสัตว์ก็ไม่ได้พ้นเลยเนี่ยนะเพิ่งทราบความที่ทุกข์นี้เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์แม้ทั้งสองอย่างนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งเพราะทุกข์ทางกายนี้ย่อมบีบคั้นและย่อมทําให้เกิดทุกข์ทางใจอย่างยิ่ง ฉะนั้นคำว่าเป็นทุกข์จึงมีโดยความต่างกันอย่างเช่นถูกเขาเคี่ยนมาก็ทุกข์กายก่อนใช่ไหมเขาตีเราเนี่ยนะทุกข์ใจมา ก, ก น, นะบางคนเนี่ยทุกข์กายก็ไม่เท่าไรเลยใช่ไหมแต่มันเสียใจเหลือเกินเนี่ยบุคคลผู้เพียบ คือผู้เพียบพร้อมไปด้วยทุกทางใจย่อมสยายผมขยี้อกย่อมกลิ้งเกลือไปมาย่อมโดดเหวย่อมนำสาตรามาย่อมเคี้ยวยาพิษเอาเชือกแขวนคอเข้าสู่กองไฟเดือดร้อนโดยประการนั้ น, น, นเป็นผู้มีจิตรุ่มร้อนอยู่คิดถึงเรื่องวิปริตนั้นนั้นเนี่ยนะก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะคนทุกนะคนคนที่ทุกทางใจเนี่ยสามารถทาได้ทุกเรื่อง พราะโทมนัสเนี่ยบีบคั้นจิต ย, มมย่อมนํามาซึ่งความบีบคั้นทางกายสรุปว่าทุกกายเป็นตัจใจแก่ทุกใจทุกใจก็เป็นตัดใจก็แต่การทุกกายบัณฑิตเพิ่งกล่าวว่าแม้โทมนัสเป็นทุก์คือความเสียใจอย่างนี้แหลนะนะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็จงเป็นไปเพื่อความเส้นทุกเราเนี่ยนะการที่เรามาเรียนรู้ทุกเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อให้ทุกขแต่เรียนเพื่อความดับทุกเนี่ยนะนะนะหมดเวลาแล้ว